การที่เอาจิตใจจดจ่ออยู่กับบทสวดมนนั้นมันทําให้ใจเราเนี่ยมันลืมความเครียดไปไปจดจ่ออยู่ที่การสวดมน์พอใจเราไปรับอารมณ์หนึ่งอีกอารมณ์หนึ่งเราก็จะทิ้งไปเองเมื่อใจอยู่กับการสวดมน์ความเครียดก็จะหลุดไปจากใจทันทีหรือเราอาจจะฝึกทํากรรมฐานใช้เป็นคําบริกรรม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 คือเมื่อเวลามีอารมณ์เครียดในจิตใจมีความคิดมีสิ่งที่ไม่พึงปรานาเกิดขึ้นในใจเราสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยถ้าเรามีสติเฝ้าดูอารมณ์ไม่ดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเราการเฝ้าดูเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ที่จิตใจเรา พอเราเห็นบ่อยๆอยนีมันจะปล่อยแล้วก็วางมันก็จะสละอารมณ์เหล่านั้นได้จากจิตใจของเราเพราะฉะนั้นการทำให้จิตใจเราผ่อนคลายมนะไม่เคร่งเครียดเราก็ต้องอาศัยจากคะคือการสละละ ว, วางสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเราซะ โดยการไปผ่อนคลายหรือการไปสวดมนต์หรือเอาใจไปจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมการทำกรรมฐานหรือการเอาใจเราไปเฝ้าดูนะราคาโทสะโมหะที่เกิดขึ้นในใจเราเราก็จะรู้ความจริงนะว่าสิ่งเหล่า น, นี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยวางไปเองนั่นคำว่าจาคะคือการ สละละวางสิ่งที่ไม่ดีในใจเราได้นั้นเราต้องอาศัยการฝึกโดยการฝึกทีละขั้นตอนง่ายๆจากการคลายเครียดการสวดมนต์การอาศัยคาบริกรรมหรือการทาพิพิธสนาทำบ่อยๆทาเป็นประจำใจเราก็จะพ้นออกจากอารมณ์ที่มีดีหรือสิ่งที่มีดี ที่มันครอบงำในใจเราได้ภาษาธรรมจะเรียกว่าจากะคือการสละละวางสิ่งที่ไม่ดีจากจิตใจ